สอนาคตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคบล 48. อนุทุกขัสส์ของบุคคลใดจะเกิด สมุททยาศาสตร์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ <messages> บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหรัตมักอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นทุกขศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นจักเกิดแต่สมุทยาศาสตร์ไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ทุกขศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นจักเกิดและสมุทยาศาตร์ก็จักเกิดปฏิสมุทยาศาตร์ของบุคคลใดจักเกิด วิใช่อนุทุกขัสสะของบุคคลใดจกเกิดมรรคัสสะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมักอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มักทุกขัสสะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่มตรรคัสสะไม่ใช่จะเกิดบุคคลจักได้มักในลำดับแห่งจิตใจในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มัก ทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและมร ร, รสก็จกเกิดปฏิมรรสของบุคคลใดจกเกิดวิใช่สี่เก้าอนุสมุทัยศาสตร์ของบุคคลใดจกเกิดมรรสของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรสสมุทัยศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดแต่มรรสไม่ใช่จกเกิดบุคคลผู้จักได้มรรส สมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั and and ้นจะเกิดและมรรคสัตว์ก็จะเกิดปฏิมรรคสัตว์ของบุคคลใดจกเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สมุทยสัตว์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิด และสมุทัยศัตร์ก็จกเกิดอนุโลมะโอกาตห้าสิบอนุทุกษะัตร์ของบุคคลใดจกเกิดอนุโรมมปุคะโอกาตห้าสิบเอ็ดอนุทุกษะัตร์ของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดสมุทัยศัสตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเปลี่ยนด้วยอรหัตมรักอรหันตบุคคล บุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดแต่สมุททยาสัตว์ไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุตโวโการภูมิและปัญจโวการภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและสมุททยาสัตว์ก็จักเกิดปฏิ สมุทญาสั์ของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดวิใช่อนุทุกขสั์ของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดมรรคาสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหั ต, ตมรักอรหันตะบุคคลบุคคลผู้เป็นผุุ้ชนซึ่งจักไม่ได้มรักบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและอสัญญาสัตภูมิทุกขสั์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่มกษัตริย์ไม่ใช่จกเกิดบุคคลจักได้อรหาตาัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคทุกษัตริ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจกั ก, ก, จกเกิดและมกษัตริย์ก็จักเกิดปฏิมาคษัตริย์ของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิดทุกษัตริย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิใช่ห้าสิบสองอนุ สมุททย า, ากกสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุตุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคสมุททยาสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่จกเกิดบุคคลผู้จักได้มรรคสมุทยาสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจกเกิดและมรรคสัตว์ก็จะเกิดอนุ มรรคศาสตร์ของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดสมุทัยศาสตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลจับได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นมรรคศาตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดแต่สมุทัยศาตร์ไม่ใช่จักเกิดบุคคลเหล่าอื่นผู้จับได้มรรคมราสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจับเกิดและสมุทัยศัสตร์ก็จับเกิด ปัจจนีบุคคลห้สอนุทุกประสาทของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดสมุททยาศาสตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสมุททยาศาสตร์ของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดทุกประสาทของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักอรหันตะบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใด ในลำดับแห่งจิตนั้นสมุทยศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ทุกขศาสตร์ไม่ใช่จักเมื่อเกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตสมุทยศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและทุกขศัสตร์ก็ไม่ใช่จักเกิดอนุทุกขศัสตร์ของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดมรรคศัสตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมรรคศาสต์ของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิด ทุกขสประจักษ์ผงบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรักมรคษัตริ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแ ต, ตแต่ทุกข์ประจักษ์ไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิ ต, ร ม, ร ม, ร ม, ตจมรรคษัตริ์ของบุคบคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและทุกข์ประจักษ์ก็ไม่ใช่จักเกิด54อนุ สมุทยทยาสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลจักได้อรหรัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นสมุทยทยาสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหรัตมรรคและอรหันตบุคคลสมุทยทยาสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกเกิดและมรรคสัตว์ก็ไม่ใช่จกเกิด ปฏิมรคสัจของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดสมุทัยสัจของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้ ม, มรคมรคสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่สมุทัยสัจไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรคและอรหันตบุคคลมรคสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและสมุทัยสัจก็ไม่ใช่จักเกิด ปัจจนกาโอกาดห้าสิบห้าอนุทุกษ์ในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดปัจจนกะบุคโลกาดห้าสิบหอนุทุกษะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดสมุทยาสัตว์ของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสมุทยาสัตว์ของบุคคลใดในภูมิ ใ, <IS> ใมไดไม่ใช่จกเกิด ทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรัคอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตตมรักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตวภูมิสมุทญาศาสของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ทุกข์สัต์ไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต สมุทยศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมิน you ั้นไม่ใช่จักเกิดและทุกขัสตร์ก็ไม่ใช่จักเกิดอนุทุกขัสตร์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดมรรคัสตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมรรคัสต์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดทุกขัตตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเรียงด้วยอรหัตมรัก อรหันตะบุคคลบุคคลผู้เป็นปุ้ตชนซึ่งจักไม่ได้มรรคบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและอสัญญาสัตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ทุกสัตว์ไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยปัจฉิมจิตมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและทุกสัตว์ก็ไม่ใช่จักเกิดห้าบเอนุสมุทยาสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด มรรคสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นสมุทัยศาตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่มรรคสัจไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคอรหันตบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสมุทัยศัสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิด และมกขศัพท์ก็กกมกไม่ใช่จักเกิดปฏิมกขศัพท์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสมุทยศัตท์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบัยภูมิและบุคคลผู้เป็นปุตุชนซึ่งจักไม่ได้มักมกขศัพท์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่สมุทัยศัพว์ไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอารหัตมักอารหันตะบุคคล และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมกษัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและสมุทยศัตร์ก็ไม่ใช่จักเกิด 4. ปัป จ, จุปันนาตีตะวาระ ว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลห้าสิบปอนุทุกข์ษัตรย์ของบุคคลใดกําลังเกิดสมุทัยกษัตร์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสมุทัยกัตร์ของบุคคลใดเคยเกิดทุกข์ษัตริย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังค์ฆาคนะแห่งจิตในประวัติการ และในอุปาทขณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิสมุทญาศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ทุกขศัสตร์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตในประวัติการสมุทญาศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและทุกขศัตร์ก็กําลังเกิดอ น, นุทุกขศาตร์ของบุคคลใดกําลังเกิดมรรคศาสต์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตในประวัติการทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่มรสรสจิ์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตในประวัติการทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและมะระสรสจิ์ก็เคยเกิดปฏิมรสรสจิ์ของบุคคลใดเคยเกิดทุกขสัจของบุคคล น, นั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกําลังจิติในพังค์ขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทคขณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ทุกสัตว์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทคขณะแห่งจิตในประวัติการมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและทุกสัตย์ก็กําลังเกิดห้าอนุ สมุทยศัสตรส์ของบุคคลใดกำลังเกิดมรรคศาตร์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัศขณะแห่งตัณหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุสมุทยศัสตร์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มรรคศาสตร์ไม่เคยเกิดในอุปาทขณะแห่งตัณหาของบุคคลผู้ได้บรรลุสมุทยศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมรรคศาสตร์ก็เคยเกิดปฏิมรรคศาสตร์ของบุคคลใดเคยเกิด สมุททยศัตร์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งตันห า, หาของบุคคลผู้ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุจาจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติมรรคศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นเพอเกิดแต่สมุทยศัตร์ไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทขณะแห่งตันห า, หาของบุคคลผู้ได้บรรลุมรรคศสาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นเพอเกิดและสมุททยศัตว์ก็กําลังเกิด อนุโลมะโอกาสหกสิบอนุทุกขสัตว์ในภูมิใดกำลังเกิดคำที่ท่านกำหนดว่าในภูมิใดเหมือนกันทั้งหมดอนุโลมะปุขโรกาสหกสิบเอ็ดอนุทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในอุ ป, ปาทัคณะแห่งอุปปัติจิต ของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สมุทัยสัตว์ไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กําลังอุบัติในจัตุวะการภูมิและปัญจกวการภูมิในอุปาทาคณะแห่งจิตในประวัติการทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและสมุทัยสัตว์ก็เคยเกิดปฏิ สมุทยศัตร์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดทุกขศาสตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากจตุวการภูมิและปัญจกวการภูมิในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิสมุทยศัสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ทุกขศาตร์ไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้กำลังอุบัติในจัตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการสมุทยาศาตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและทุกศาสตร์ก็กำลังเกิดอนุทุกศาสตร์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดมรรคศัตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งอุปัฏิจิต ของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุดท่าว่าสภูมิบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาสภูมิทุกขศัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มรรสจัดไม่เคยเกิดบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขศัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมรรสจัดก็เคยเกิด ปฏิมรคสัจของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดทุกสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกําลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาท a k ขณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิมรคสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ทุกสัจไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกําลังอุบัติ ในอุปาทคณะแห่งจิตในประวัติการมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและทุกสัจก็กําลังเกิด 62. อนุสมุทยาสั์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมรรคสั์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุในอุปาทคณะแห่งตัณหาสมุทยาสั์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิด แต่มกษัตริย์ไม่เคเกิดบุคคลผู้ได้บรรลุในอุปาทขณะแห่งตันหาสมุทยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมกษัตริย์ก็เคยเกิดปฏิมกษัตริย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสมุทยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังทคคณะแห่งตันหาของบุคคลผู้ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่ มรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทพหนะแห่งตันหาของบุคคลผู้ได้บรรลุมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสมุทัยสัตว์ก็กำลังเกิดปัจเจเนกบุคคลหกสิบสาอนุทุกสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิด ปติสมุทยศัตร์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดทุกขัาสตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีอนุทุกขศัตร์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคศาสต์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกาลังจติในพังคขะขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขณะแห่งมรักและผลในอรูปภูม ทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่าน sure> ั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มรรสศัตว์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้ยังไม่ได hmm ้บรรลุซึ่งมกำลังจุติในพังคะขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมรรสศัตว์ก็ไม่เคยเกิดปาฏิมรรสศัตว์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งมกำลังอุบัติ ในอุปาทคณะแห่งจิตในประวัติการมรรคศาสต์ของบุคคลเหล่านั้นไม่เคยเกิดแต่ทุกศาสตร์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังค์คณะแห่งจิตในประวัติการมราารคศาต์ของบุคคลเหล่านั้นไม่เคยเกิดและทุกศาสตร์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอ Las 64. อนุสมทุทยาศตร์ของบุคคลใ ด, ไ, ดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคศ า, าตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิในพังคขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุตจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มกษัต ร, ร์ไม่ใช่ม่เคยเกิดในพังคขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุตจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิ สมุทยาสั์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมรรคสักก็ไม่เคยเกิดปฏิมรรคสั์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดสมุททยาสั์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทคขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุมรรคสั์ของบุคคลเหล่านั้นไม่เคยเกิดแต่สมุทยาสักไม่ใช่น่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุ เมื่อจิตที่วิปยุจแจกตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญนาสัตตภูมิทุกษัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่เคยเกิดและทุกขสัสสะก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัจจเนกาโอกาฏหสิบห้าอนุทุกขัสสะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัจเจเนกะปุคะโลอกาฏส66อนุทุกขัสสะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด สมุทยศัตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากแจดุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในพังค้าขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทคขณะแห่งมรรคและผลในอรูปภูมิทุกศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สมุทยศัตร์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพังค้าขณะแห่งอุปาติจิตของบุคคล ผู้อุบาทอยู่ในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญาสัตตภูมิทุกขสัตว <tit> ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมุทัยสัตว์ก็ไม่เคยเกิดปาติสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาถกันะแห่งอุปาติจิตของบุคคลผู้อุบาทอยู่ในสุทธาวาสภูมิ บุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญสัตตภูมิสมุทยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ทุกขสัตว์ไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังฆะกณะแห่งอุปาติจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญาสัตตภูมิสมุทยสัตต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและทุกขสัต์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุ ทุกขั walker, สัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคัสัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบ <to> ุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังคาขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทคขณะแห่งมรรคและผลในอรูปภูมิทุกขัสัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มรรคัสัตไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพังคาขณะแห่งอุปาติจิตของบุคคล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 ในอุปาทคณะแห่งอุปาติจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาสัตภูมิมกษัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ทุกสัตริย์ไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังคขณะแห่งอุปาติจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิ บุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกําลังจุติในพังค ข, ขณะแห่งจิตในปวัติการบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญัตตภูมิมกษัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและทุกษัตริย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดหกสเจอนุสมุทยาสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดมกษัตริย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิ ในพังค์ขขณะแ ห, ห่งตันหาของบุคคลผู้ได้บรรลุเมื่อจิต ท, ที่วิป Пон ยุจจากตันหาเป็นไปอยู่สมุททยาสั์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มกษัตรไม่ใช่ไม่เคยเกิดเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุททาวาสภูมิเป็นไปอยู่ในพังค์ขขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุเมื่อจิต ท, ที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตถภูมิ สมุทรยศว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมกษัตรก็ไม่เคยเกิดปฏิมกษัตรของบุคคลใดในภูมิ ใ, มนในดายไม่เคยเกิดสมุทรยศว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัคณะแห่งตัณหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุมกษัตรของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สมุทรยศา์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิด เมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติ์อยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่ในพังคาขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุ์จากตัญหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติ์อยู่ในอสัญญสัตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสมุทยสัตว์ก็ไม่ใช่กำลังเกิด ปัจจุบันนานาคตะวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมะบุคคลหกสิบแปอนุทุกษาัตร์ของบุคคลใดกำลังเกิดสมุทยาศัสตร์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรรในอุปาทคขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจับได้อรหัตมรรในลำดับแห่งจิตใด ในอุปาทะ์ขณะแห่งจิตนั้นทุกขศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สมุทัยศาสตร์ไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทหขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขศสตร์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสมุทัยศาสตร์ก็จะเกิดปฏิสมุทัยศาสตร์ของบุคคลใดจกเกิดทุกขศาสตร์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กํานังจุติ ในพังฆาคขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทคขณะแห่งมากและผลในอรูปภูมิสมุทยาศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ทุกขศาสตร์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทคขณะแห่งจิตในประวัติการสมุทยาศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและทุกขศาสตร์ก็กำลังเกิดอนุทุกขศสตร์ของบุคคลใดกำลังเกิดมรรคสตร์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรในอุปาทัคขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จะไม่ได้มรรคซึ่งกําลังอุบัติและในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่มรรคสัจไม่ใช่จะเกิดบุคคลจะไม่ได้อรหัตมรในลําดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จะได้มรรคซึ่งกําลังอุบัติ ในอุปาทัคกนแห่งจิตในประวัติการทุกขสั์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมรรสจักเกิดปฏิมรรสจักของบุคคลใดจะเกิดทุกขสั์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลจักได้อรหัรตมัรรคในลำดับแห่งจิตใจในพังคขณักแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคซึ่งประนิดจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการ และในอุปาทขณะแห่งมากและผลในรูปภูมิมรักษัตร์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ทุกข์ศัตร์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลจับได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใจในอุปาทคณะแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จับได้มรักซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตในประวัติการมรักษัตร์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและทุกข์ัตรูก็กำลังเกิด69อนุ สมุทยาศาสตร์ของบุคคลใดกําลังเกิดมรรคศาตร์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุุ้ชนซึ่งจักไม่ได้มรักในอุปาทขณะแห่งตันหาสมุทยาศาตร์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่มรรคศาสตร์ไม่ใช่จักเกิดบุคคลผู้จักได้มรักในอุปาทขณะแห่งตันหาสมุททยาศาตร์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและมรรคศาสตร์ก็จักเกิดปฏิ มรรคสิจของบุคคลใดจกเกิดสมุทยัยสัจของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลจะได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทคณะแห่งจิตนั้นในพังคขณะแห่งตันหาและเราบุคคลผู้จักได้มรรคเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอญญาจารย์ยศตะพูมิมรรคจิตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิด สมุทยาสัตว์ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทัคณะแห่งตันหาของบุคคลผู้จักได้มากมกษัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสมุทยาสัตว์ก็กำลังเกิดอนุโลมะโอกาส70อนุทุกษัตริย์ในภูมิใดกำลังเกิดคำที่ท่านกำหนดว่าในภูมิใดพึงทําให้เหมือนกับคําที่ท่านกําหนดว่าของบุคคลใดในภูมิใด อนุลมะบุคขโลกาเจ็ดสิบเออนุทุกสัตย์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสมุทยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทะขณะแห่งอรหัตมรรคในอุปาทัคณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรรมในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทะขณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้กำลังอุบัติในอาศัยสัตตภูมิ ทุกษะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กําลังอุบัติในจัตุวการภูมิและปัญจวการภูมิในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการทุกษะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและสมุทัยสัตว์ก็จะเกิดปฏิสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจากเกิดทุกษะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหม วิบุคคลผู้กําลังจุติจากจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิในพังคขณะขแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทคขณะแห่งมรรคและผลในอรปูปภูมิสมุทยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ทุกขสัตว์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังอุบัติใน จ, ใในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการ มบททายาทศักของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและทุกขศักก์ก็กำลังเกิดอนุทุกขศักของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดมรรคศักของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุ ป, ปาทาขณะแห่งอรหัตมรักในอุ ป, ปาทาขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มรัมกซึ่งกำลังอุบัติ ในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญสัตตภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มรรกษัตริย์ไม่ใช่จกเกิดบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลําดับแห่งจิตใดในอุปาทคณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคซึ่งกําลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตในประวัติการทุกขสัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิด และมรรคสัจก็จะเกิดปฏิมรรคสัจของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดทุกสั์ของบุคลบคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในพังคขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าเอินผู้จักได้มรรคซึ่งกำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิ มรรคศาตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ทุกศาสตร์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลจับได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทคณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จับได้มรรคซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตในประวัติการมรรคศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและทุกศาสตร์ก็กำลังเกิดเจบสอนุสมุทัยศัตร์ของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิด E มรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัคณะแห่งตันหาของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคสมุทรยาศา์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมรรคสัตว์ไม่ใช่จักเกิดในอุปทาทัคณะแห่งตันหาของบุคคลผู้จักได้มรรคสมุทรยาศา์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมรรคสัตว์ก็ <opis. S 2> จักเกิดปฏิ เมกะจัตรของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดสมุทัยสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลจกได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นในพังคขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้จักได้มรรคเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่เมกะจัตรของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สมุทัยสัจไม่ใช่กําลังเกิด ใ่อุปาทะขณะแห่งตันหาของเหล่าบุคคลผู้จักได้มักมกษัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและสมุทัยศัตดิ์ก็กาลังเกิดปัจเจเนกาบุคคล73อนุทุกษัตริย์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสมุทัยศัตดิ์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กํำลังจุติในพังค ข, ขณะแห่งจิตในประวัติการ และในอุปาทขณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิทุกข์สัจของบุคคลนั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สมุทัยศาสตรต์ไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคขณะแห่องอรหัตมรรคในพังคขณะแห่งจิตของอารหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในพังคขณะแห่งจิตนั้นและในอุปาทคณะแห่องอรหัตมรรคและอรหัตผลในรูปภูมิทุกข์สัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด และสมุทยศาตร์ก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิสมุทยศาตร์ของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งอาราตมักในอุปาทขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมักในลําดับแห่งจิตใจในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นสมุทยศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิด แต่ทุกขสัจไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งอรหัตมรัคในพังคขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจกได้อรหตัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในพังคขณะแห่งจิตนั้นและในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรัคและอรหัตผลในรูปภูมิสมุทญาสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกเกิดและทุกขสัจก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุทุกขสัจของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด มักกะัตของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลจักได้อรหัตมักในลำดับแห่งจิตใดในพังคขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักซึ่งกำเนิดจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทคขณะแห่งมักและผลในรู ป, ปภูมิทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มักกะจัตไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคขณะแห่งอรหัตมัก ในพังคขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุตุชนที่จักไม่ได้มรรคซึ่งกำเนิดจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทคณะแห่งอรหันตมรรคและอรหันตผลในอรูปภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมรรคสัตว์ก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิมรรคสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิ ในอุปาทัคคณะแห่งอรหัตมัคในอุปาทขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นพุทุชนที่จิตไม่ได้มัคซึ่งกันมาอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในปรวัติการมกษัตรของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ทุกสัตรไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังขัคขณะแห่งอรหัตมัคในพังขัคขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการ และในอุปาทคณะแห่งอาราตมักและอาราตผลในอรูปภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและทุกสัตว์ก็ไม่ใช่กำลังเกิด74อนุสมุทยาศาสตร์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลจักได้อาราตมักในลำดับแห่งจิตใ ด, ดในอุปาทคณะแห่งจิตนั้น ในพังค์าขณะแห่งตันหาของบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสมุทยสัต์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มกษัตรไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอาราตมักอรหันตบุคคลในพังค์าขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้เป็นผุุ้ชนซึ่งจักไม่ได้มัก เมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมรรคสัตว์ก็ไม่ใช่จักเกิดปาฏิมรรคสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทาขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มัก มรรคสัของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่สมุทยศัสตร์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วย อ, ร ห, อรหันตมรรคอรหันต์บุคคลในพังคขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคเมื่อจิตที่วิปยุจจากตันหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญสัตตภูมิมรรคสัของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและทุกสัต์ก็ไม่ใช่กำลังเกิด ปั จ, จเนีกะโอกาส75อนุทุกษ์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัจจนียกะปุคาโลกาส76อนุทุกษ์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสมุทยาสั์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากจตุวการภูมิและปัญจวการภูมิในพังค ข, ขณะแห่งจิตในประวัติการ และในอุปาทาขณะแห่งมรรคและผลในอรูปภูมิทุกข์สัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สมุท ย, ยสัตว์ไม่ใช่จักไม่เกิดในพังค์ขณะแห่งอรหัตมรรคและในพังค์ขณะแห่งจิตของอรหัตนต์บุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในพังค์ขณะแห่งจิตนั้นและในอุปาทาขณะแห่งอรหัตมรรคและอรหัตผลในอรูปภูมิ บุคคลผู้กำลังจุติจากอรยสัญญสัตว์ภูมิทุกขะัตรูของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมุทัยสัตว์ก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดทุกขะศัตรูของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทคณะแห่งอรหัตมรัคษในอุปาทคณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใด ในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้กําลังอุบัติในแอสัญญัตตาภูมิสมุทยาสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ทุกสัตว์นีใช่ไม่กําลังเกิดในพังคขาขณะแห่งอรหัตมรัคและในพังคขาขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใจในพังคขาขณะแห่งจิตนั้นและในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรัคและอรหัตผลในอรูปภูมิ บุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญัตตภูมิสมุทญาสของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและทุกข์สัตว์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลจักได้อาราตมรักในลำดับแห่งจิตใดในพังขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรักซึ่งกำลังจุติ ในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทคณะแห่งมักและผลในอรูปภูมิทุกษัตริของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มกษัตริย์นี้ใช่จักไม่เกิดในพังคขณะแห่งอรหันตมักและในพังคขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนผู้จักไม่ได้มักซึ่งกําลังจุติในพังค์ขณะแห่งจิตในประวัติการ และในอุปาทคณะแห่งอรหัตมักและอรหัตผลในรูปภูมิบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญัตตภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมรรคสัตว์ก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิมรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทคณะแห่งอรหัตมัก แลในอุปาทขณะแห่งจิตของอรหันตบุคคลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุตตชนที่จักไม่ได้มรรคซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทัคขณะแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญาสตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ทุกประศัตไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคฆคณะแห่งอรหันตมรรคและในพังคฆคณะแห่งจิตของอรหันตบุคคล บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนที่จักไม่ได้มรรคซึ่งกําลังจุติในพังฆาขณะแห่งจิตในประวัติการในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรรคและอรหัตผลในอรูปภูมิบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและทุกสัตว์ก็ไม่ใช่กําลังเกิด77อนุ สมุททยาศาตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดมรรคศาสตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลจักได้อารหาัตมรรคในลําดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นในพังคนขณะแห่งตันหาของบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคเมื่อจิตที่วิปยุจจากปัญหาเป็นไปอยู่สมุททยาศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มรรคไม่ใช่จักไม่เกิด บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมักอรหันตบุคคลในพังค์ขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มักเมือ่อติดที่วิปยุจจากตัญหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญยสัตตภูมิสมุทยาสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมรรคสัตก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิมรรคสัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด สมุทยัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุตุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคมรรคสัของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่สมุทยธยว์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหันตมรรคและอรหันตบุคคลในพังคขณะแห่งตันหาของบุคคลผู้เป็นปุตุชนซึ่งจักไม่ได้มรรค เมื่อจิตที่วิบยุต์จากปัญหาเป็นไปอยู่และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาันในสัญญตตภูมิมรรคสัต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและสมุทัยสัตว์ก็ไม่ใช่กำลังเกิด